เรารักแกเท่าที่คนคนหนึ่งจะรักได้ขอยเธอแค่ วฉันจะนนี้ไป ม, มีใครแค่แกเท่านั้นที่ฉันคนนี้จะมีใจก็มีแค่แก่คนเดียวจะไม่รักดีไงขอโทษเธอแล้วแย่ไปเขาสัญญาว่าจะประครับประคองไม่ให้นักเราต้องจบแม้มีคนมาจับจองแล้แกก็น่าจะรู้ว่าเขาล่ะแกเพียงใดสัญญา จ, จะไม่จะช่ผู้มีแค่แกเขียนใจก็ให้มีเรื่องไร้ร้ายเข้ามา เรารักแกเท่าที่คนคนหนึ่งจะรักได้ขอให้เธอแค่ดูแลแก่เวลาที่รองไห้เธอย่าดีก ว, ว่าฉันจันนี้ไป ม, มีใครแค่แกเท่านั้นที่ฉันคนนี้ ขอสัญญาไม่ทินงแกแน่นอนถ้าเกิดว่าเราได้เจอจะกอดให้แน่นพอและแกต้องยิ้มมากแกต้องยิ้มกว้างอย่าเอาอแอนที่รักไป ย, ยังมีข้อค่อขีงข้างขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่พาให้พบกันบอกกับตัวเองเส ม, มอคนเนี้กูรักเจ้า จะห น, นี้ไปมีใครแค่แกเท่านั้นที่ฉันคนนี้จะมีใจเรารักแกเท่าที่คนคนหนึ่งจะรักได้ขอให้เธอแค่ดูแลแก่เวลาที่ร้องไห้เธอยาดีกลัวว่าฉันจะห น, นี้ไปมีใครแค่แกเท่านั้นที่ฉันค น, น จะมีใจ